โหดนะทวงเขา้าอ่ะได้ยินเสียงอยังน่ยป่ะในแต่เอิญก็เอิญ น, นกฮูกนกเข้ามันห่องย้ำหมวกเว้นเห็นหมันไงเออผิดห่องลูกหลานคือยังมาหลายแทบเหมือนเี้มันว่าแสดงความยินดีด้วย <c oughs> มันว่าอย่างเนี้ยนกฮูกมันห้นหองก็เอิญนกข่านกเขา่เขาตัวเล็กๆท่อกําปันอะไรเนาะแต่เสียงมันดังจริงเวลากลางคืนเงียบสงบแล้วมันร้องโอ้หมันก็กล้องป่าเลย นกฮูกแต่ว่ามันเป็นอันตรายกับพวกนกนะพวกนกเล็กนกน้อยทั้งหลายแหลเนี่ยเป็นอันตรายมันมันพอจะจับได้มันก็จับไปกินเลยกลางคืนพวกนั้ก็นอนหลับใช่ไหมล่ะนกเด็กนกน้อยตอนหลับถ้านกฮูกไปเห็นเนี่ยนกฮูกมันตาสว่างกลางคืนเนียกลางคืนตามันสว่างมันไปเห็นน่ะนกน้อยนอนอยู่เนี่ยขันจุ้มเลยล่ะ อขนแต่กระจูยกระจายเป็นพิษเป็นภัยกับนกนะถ้านกน้อยได้ยินเสียงมันร้องอย่นี้กัเหมือนเราได้ยินเสียงเสืออย่างนั้นแหละฮะพวกเราได้ยินเสียงเสือร้องในป่าหม้หอห่มเราจะสะระสะท้านแล้วกันถ้านกเล็กนกน้อยมันร้องได้ยินเสียงนกฮูกร้องอย่างนอ้มันกันหนาวมันกันหนาวไปอมันร้องในแถวไหนว่าเราจะมาใกล้แถวนี้นะเสือมาแถวนี้ละหนะ้าน่อ อย่างนั้นแหละเพราะนั้นใครอะไรก็ตามนะถ้าเป็นพิษเป็นภัยน่ยอันตรายทั้งนั้นมนุษย์ก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์ก็เป็นอันตรายต่อสัตว์สัตว์ที่มีอำนาจเหนือกว่าสัตว์ที่ด้อยกำลังน้อยกว่าก็ต้องกลัวกลัวสัตว์ที่กำลังเหนือกว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดน่ะนกเล็กนกน้อยทั้งหลายนอนกลางคืนมัเวลามันนอน เอาหัวชนเข้าในปีกนะทำมันนอนถ้าเป็นคู่กันนลยเออมันนอนติดกันแล้วเอาหัวควายเอาหัวไอ้พาดกันในหะ้มันนอนอนยะ่างมืนขึ้นมอนไปนกหน่อยเห็นแล้วนาสงสารมันขึ้นกันนะแต่นกเข้าไปเห็นเลยจึงบวาแล้วโดดขยุ่มเลยมันองไปเอาทั้งสองตัวพร้อมกันลดมันไป <laughs> นละนกน้อยมันกลัวกลัวนกฮูกกลางคืนนะวันนี้เป็นวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2 5งพวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ห้าค่ำเดือนสี่แปลว่าเดือนสเดือนสี่เพนละวันนี้นะวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระขอให้ขอให้คณะสัตย า, าติโยมลูกหลานทุกคนให้สํำนึก ไว้เพราะว่าเราเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทเรานับถือเรื่อมใสในบริษัทนี้คือพุทธบริษัทพวกเราให้สํานึกว่าวันพระ8ดค่ำสิบาค่ำเนี่ยเป็นวันธรร ม, มัตสวนะเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันบําเพ็ญคุณงามความดีเป็นวันบําเพ็ญกุศลเข้าสู่จิตใจ แต่การสแสวงหาทรัพย์ภายนอกเราก็สะแสวงหาไม่ได้ลดละการแสวงหาเงินเพื่อเป็นปัจจัย4เป็นค่าอาหารการบริโภคเป็นค่ายารักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นค่าผ้านุ่งห่มเป็นค่าที่อยู่อาศัยบ้านเรือนอันนั้นเราก็ไม่ได้อย่าให้ขาดตกบกพร่องเราต้องสะแสวงหา ปัจใจสี่แต่พร้อมกันเราอย่าลืมสแสวงหาอาหารเข้าสู่จิตใจของพวกเราด้วยใจคือนามธรรมเยมันต้องสสแสวงอย่างนี้แหละเข้ามาบำเพ็ญบุญกุศลสู่จิตใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราพูดไปเหมือนกับหลวงพ่อเองเออหรือว่าพระเองซักนาให้พวกเราเข้ามาสู่วัดเข้ามาหาตัวเอง แต่ไม่ใช่นะถ้าเราคิดได้เพียงแค่นั้นมันก็ได้เพียงแค่นั้นแต่หลวงพ่อละ่ะเนี่ยอยู่ในป่ารงพงไพ่อยู่อย่างนี้นะฉันอาหารมื้อเดียวอีต่างหากนอนองค์เดียวอีกต่างหากอยู่ในป่ารงพงไพ่หาความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่ได้แต่หลวงพ่ออยู่อยู่ทําไมเนี่ยอันนี้ก็คือความสมัครใจและความเชื่อในแต่ละ พวกเราเนี่พุทธบริษัทหลวงพ่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้เสียสละแปลว่าพวกหลวงพ่อเนี่ยเขามาส่วนลึกกว่าพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายยังมาแต่วันวันพระแปดค่ำสิบภาคค่ำเข้ามาสู่วัดวาศาสนา พวกเราทางหลายบางที่ก็ยังขาดตกปกพ่องอยู่แต่สําหรับหลวงพ่อกับพระสงฆ์เนี่ยที่อยู่ภายในอยู่ภายในรักษาศีลสอ227แลว้วก็ปฏิบัติธรรมเอาพระธรรมคําสอนเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจหาอาหารให้ใจแต่อาหารกายพวกเราคิดว่าถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอาหาร บริโภคอย่างดียาอย่างดีผ้านุ่งห่มอย่างดีที่อยู่อาศัยหรูหราโออาอย่างดีถ้าอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็เห็นผมขาวออกมาแหละแต่เราไม่หนีจากบ้านหลังนั้นนะเดี๋ยวก็เห็นผมหงอกผมขาวเห็นฟันหลุดตาฝ้าฟาฟงหูตึงหนังหดเหี่ยวผลที่จุดขึ้ถ้าไม่หนีจากบ้านหลังนั้นเก่ดแกเข้าช่วยตนเองไม่ได้พยุงหน้าพยุงหลัง ผลในสุดก็ตายในบ้านหลังนั้นแหละถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็นเลี้ยงถึงเลี้ยงร่างกายมันถึงจุดจบอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ขู่กันนะเอาความจริงมาพูดให้กันฟังแล้วก็หลับตาดูสิจริงไหมเนี่ยที่หลวงพ่ออินพูดเนี่ยเอามือกายหน้าผากนึ่งนั่งคิดนอนคิดดูสิจริงไหมหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอามาความจริงมาพูดให้พวกเราได้ศึกษาจากนั้น แล้วจะมีทางออกอย่างไรละ่ะหลวงพ่อนี่ยแหละเราต้องศึกษาศึกษาในธรรมหลักธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนท่านว่าร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันมีจุดจบอย่างนั้นแต่นามธรรมคือจิตใจน่ยคือตัว ม, มัดตัวนามธรรมกัวตัวโพโรโรอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะตัวนี้ตายไม่เป็นนะออกจากร่างนี้แล้วจะไปปฏิสนที่ไปหาเกิดที่อื่น เพราะนั้นควรจะเอาคุณงามความดีควรจะเอาบุญกุศล เ, เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจดวงนั้นด้วย อ, อันนี้แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนะศึกษาอะไรทนกว้างขวางเทน้เราจะสร้างยังไงสร้างบุญสร้างกุศลอย่างไร เ, เพราะว่าโลกนี้ตานาจิตตังนานาทัศนะนานาความเห็นคนหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกคน เ, เห็นผิดเลยเห็นถูกถ้าเห็นถูกก็ต้องเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบฉบับแล้วก็เราก็คิดตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นจะไปในทางสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าาพวกเราคิดขึ้นมาว่าตัวเองคิดถุกดันธุระว่าคิดถุกเผอเผลออาจจะถูกใจตัวเองก็ได้แต่มันอาจจะไม่หลุด ถูกหลักธรรมคออือธรรมะออคาสังสอนพระธรรมคือความเป็นธรรมอาจจะไม่ถูกจุดนั่นก็ได้ อ, อ, อาจจะเป็นอธรรมก็ได้เพราะเอากิเลส ต, ตัวเองเข้าไปออแสดงความคิดเห็นออว่าถกูกแลแต่อาจจะผิดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องศึกษาศึกษาให้กว้างขวางอย่างที่หลวงพ่อได้ ไปจัดงานหลวงปู่จามเนี่ยก็อดคิดไม่ได้นะการนะ่าศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานเพราะว่าพวกเราเห็นนะวิดีโอหรือว่ารูปภาพถ่ายหรือว่าเขาถ่ายในวิดีโ อ, อ, อถ่ายทอดสดถ่ายทอดอัดวิดีโอเอาไว้ในงานหลวงปู่จามมหาปุญโยญแต่หลวงพ่อเองในฐานะประธานในการจัดงาน หรือว่าเป็นหลานของท่านหรือว่าเป็นต้นตระกูลต้นตระกูลของหลวงปู่ยามที่ยังเดี่ยวนี้คณะญาติทั้งหลายก็หลวงพ่อเป็นใหญ่สุดในตระกูลหลวงพ่อประกาศในที่นั่นทําไมถึงว่าเป็นใหญ่สุดเพราะว่าโยมพ่อของหลวงพ่อเป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงปู่ยามหลวงปู่ยามเป็นคนที่สามเป็นน้องชายของหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ย โยมพ่อของหลวงพ่อมีลูกหลายคนแต่เดอนนี้พี่ชายของหลวงพ่อก็จากไปหลวงพ่อเนี่ยเป็นฝ่ายชายนามสกุลของหลวงปู่จามเนี่ยแปลว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นใหญ่สุดในตระกูลนอกนั้นก็เป็นลูกอาลูกนะถ้าจะเรียกลุงพี่เรียกลวงพ่อเขาก็เรียกลูกหลวงลงหลวงปู่หลวงตาทั้งหมดถ้าเป็นลูกอาเขาก็เรียกลุงพี่ทั้งหมด คือเป็นพี่ชายใหญ่ของเขาเป็นพี่ชายนี่แหละหลวงพ่อก็ได้ไปจัดงานของหลวงปู่จามตั้งแต่เดือนธันวาตั้งแต่ออกพรรษาจนแล้วเสร็จวันที่หมกราห้นะไปอยู่หลายเดือนที่ไปดูอำนวยความสะดวกให้ดูแลคนคู่คนจะเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่หนะลวงพ่อว่าหกเมื่แต่ในใจหลวงพ่อเป็นแสนกว่านะ โรงทานไม่ต่ำกว่า 5-600 ผลที่สุดรก็1 0พันกว่าพ1 0หนึ่งรกว่าโรงนะพระยอย่างน้อยต้อง 3-6,000 นะเป็นหมื่นนี่แหละอันนี้ก็คืองานของหลวงปู่ที่ท่านได้ผ่านไปแล้วแต่ถึงจะผ่านไปแล้วกวเนะ็เถอดนะพอเราดูดึกนึกดูย้อนหลังไปดูที่ผ่านมาเพราะงานของหลวงปู่จามนะันยิ่งใหญ่มาก อลังการถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกจะต้องได้ใช้ค่าใช้จ่ายมากในงานนี่ถ้าคิดเป็นเงินแต่ว่าหลวงพ่อเองเอก็ได้นึกย้อนของหลวงพ่ออีกเหมือนกันหลวงพ่อเอาพระด้วยเอาโยมด้วยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหลานไปช่วยงานาไปกลางตรงการเต้นไปอะไรทุกอย่างไปปูฟางไปปูอะไรเรื่องนงเรื่องน้งํา เรื่องจัดอาวุธอาหารหลวงธงหลงทง่งทานหลวงพ่อทุ่มลงไปท่านนับเป็นหัวคนเข้ามาแล้วหลวงพ่อนับดูประมาณ80ดนสะที่หลวงพ่อเอาไปในกลุ่มของหลวงพ่อที่อยู่ในคอนโทนของหลวงพ่อที่ไปทํางานไปช่วยงานโรงทานก็ไปตั้งแต่วันที่1ิบ5้าสิบส่สเลี้ยงคนจนถึงวันที่วันที่หวันที่หกแล้วยังค่อยกลับมา ทั้งฝ่ายพระเหมือนกันยี่สิบกว่าทั้งฝ่ายงทานก็ยี่สิบกว่ า, าแล้วก็คนเด็กหนุ่มที่เอาไปช่วยงานอีกรวมแล้วก็นั้นประมาณ80สบหลวงพ่อได้ใช้เงินมามได้ใช้ปัจจัยมันได้ใช้ได้ใช้ปัจปจัยปัจจัยของวัดปัดจจัยที่คณะทศธาญาติโยมถวาย เ, าเพราะว่าเป็นงทานนสรุปแล้วคือคือว่าเป็นการทําบุญของพวกเรา เป็นการเสียสละของพวกเราเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงปู่จามของพวกเราหลวงพ่อก็ทําความเข้าใจกับพระทุกกงองจัดทาญาติโยมอย่างตนนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังเลย เ, เราบูชาพระคุณหลวงปู่นะหลวงปู่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อจะเทิง จ, จะต้องเชิดชูบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วหลวงตามหามัว แล้วก็หลวงปู่จามแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่ออ่ะอันนี้ก็คือพระคุณที่หลวงพ่อจะต้องทดแทนทดใช้ชดใช้พระคุณของท่านแต่ในมือเมื่อมาพูดถึงงานของหลวงปู่จามก็อลังการอย่างที่ว่านานาจิตต่างนานาทัตนะบางคนก็อาจจะดูแล้วโเอาเงินมาเผาเล่นเอาเงินมาผ่านเล่นเออเอาเงินมาปูยี่ปูยำอืมทําไมโง่นักฮ่า ลักษณะนั้นแต่บางคนก็โอ้โหหาดูได้ยาก อ, าอลังการเป็นการเชิดชูบูชาครูบาอาจารย์เพราะว่าทุกคนใครว่างเป็นหนี้ทำงานหลงปู่จามแล้วเป็นหนี้มีไหมถามหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่เป็นหนี้าขาดทุนแต่บุญเป็นกำไรหลวงพ่อพูดอย่างนั้นขาดทุนแต่บุญเป็นกำไรบุญคือเข้าสู่จิตใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อภาคภูมิใจ ในการจัดงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนจตุปัจัยที่เสียไปนั่นก็คือเสียไปจะทำยังไงได้แต่ว่าทางด้านจิตใจนั้นภาคภูมิใจที่ได้เชิดชูบูชางานหลวงปู่ล่างานของคุณแม่ชีแก้วงานหลวงตาและงานหลวงปู่จามตลอดถึงงยมพ่อยมแม่ด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นไปเห็นโอ้โหงานของหลวงปู่จาม นกขจดีลิงที่เผาทิ้งเนี่ยเป็นเงินเท่าไร่คิดเป็นเงินออกมาแล้วนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจนักบัญชีทั้งหลายเขาก็คิดขึ้นมาแต่หลวงพ่อก็บอกว่านกขจดีลิงพร้อมกับสิ่งอลังการที่อยู่บนเมนประมาณ0 0แสนดอกไม้ประดับอยู่ข้างๆเนี่ยตามต้นไม้ต่างๆเขาว่าเขางบประมาณ3าล้าน แล้วก็ทิ้งต่างๆทั้งน้ําด้วยทั้งไฟด้วยทั้งห้องน้ําด้วยทั้งเต้นด้วยทั้งค่าอาหารด้วยเป็นเงินเท่าไหร่อาหารทั้งพันโลงเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าบอกพวกเศรษฐศาสตร์พวกคิดขึ้นมาอเอาเงินมาถลุงเล่นประเทศชาติบ้านเมืองยังเป็นอย่างนี้น่าจะเอาเงินเหล่านี้เพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศทําไมโง่นักฮ คือคนบางคนจะต้องคิดอย่างนั้นแต่บางคนไม่ได้ว่ายอย่างนั้นเราอืหลวงปู่จามมหาปุญโญเนี่ยท่านมีอายุถึงขนาดนั้นท่านมรณะเพียงเพียงครั้งเดียวแต่พวกเราเขามากราบมาไหว้ท่านมาแสดงความเคารพท่านท่านให้ธรรมะท่านให้ศีลธรรมท่านเรามีพลังมีกําลังใจเมื่อมากล่าบมาไหว้ท่านเมื่อท่านจากไปแล้ว เราไม่มีอะไรที่จะทดแทนบูชาพระคุณของท่านนี่แหละเราแสดงออกเราแสดงออกเมื่อเราตะกอนเราเกือบล่มจมจิบหายเนี่ยพอเราหมดกําลังใจแต่พอมาหาหลวงปู่หลวงปู่เอา้าสู้นะไปถอยทําไมเกิด เ, เกิดมาชีวิตต้องสู้เรากลับไปสู้คนนี้โอ้โหเราฟื้นตัวคืนมาเราเอามาพระบูชาพระคุณหลวงปู่จำเนี่ยเพียงเจ็บจ้อย เพียงแค่นี้แต่เราได้มามหาศาลอันนี้ก็คือการเป็นพรังทางด้าน จ, จิตใจเพราะนั้นต่างคนก็ต่างแสดงออกผู้ที่ถือดอกไม้ก็มองดูสิในงานอรังการนะทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทำด้วยความสุขใจทำเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเราเห็นก็มองได้อีกมุมหนึ่งก็เป็นลักษณะนั้น ทำมองในเศรษฐกิจแบบขี้เหนียวนะมองอีกแบบหนึ่งเราก็โง่นักสแสดงออกทำไมเสียเงินเสียเวลาอีกต่างหากมาทำไมผู้ตายก็ตายไปแล้วไปเผาทำไมจึงให้ความสำคัญถึงขนาดนี้ถ้าคนคิดอีกมุมหนึ่งก็คิดในลักษณะอย่างงานพงโรงพ่อว่ามีแน่ในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าพงโรงพ่อได้ยินแพลมแลมา หลายๆคนเหมือนกันที่ที่ที่พูดมาลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อเอออันนี้เป็นบุญบา ร, รมีเป็นมุญของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่องค์อื่นอยากจะให้มันเหมือนนะมันก็ไม่เหมือนนะหลวงตามหาบัวหลวงปู่จามก็ไม่เหมือนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ศรีก็ไม่เหมือนหลวงปู่จามต่างคนก็ต่างไปของใครของเราต่างองค์ก็ต่างบา ร, รมีของของท่านแต่ของหลวงปู่จามท่านก็อีกแบบหนึ่ง ผิดไหมผิดหลักพระธรรมวินัยไหมตรงไหนที่มันผิดเน่เราก็ทมไม่ผิดหรอกแต่มันอลังการามันไปทางโลกเกินไปโลกตรงไหนจุดผู้ใช่ไหมจุดผู้ชายจุดพุนี่ก็มีเจ้าของสอ ง, สองเจ้าที่จุดผู้กลางคืนนะทางเชียงใหม่เขาก็อามาเห็นหลวงปู่งานาทำบุญส่งพระธาตุนะสงพระธาตนะุท่านสงทุกปี เดือนพฤษภาก็เดือนกุมภามาคากักวิสาขาหลวงปู่ท่านจะสงพระธาติพอสงพระธาตเสร็จแล้วท่านก็โยมเขาก็พุมาจุดนะสามสี่ห้าหกดอกนะต่อมขึ้นไปเก็เป็นดอกเป็นดวงใช่หหลวงปู่ท่านก็เป็นคนโบราณมันอยู่ในท่านอยู่ในป่านยท่านก็เห็นโถทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้วะบางทีก็เป็นรูปช้างรูปสิงรูปดอกไม้อะไร เขาก็จู่ได้ฟังหลวงตาหลวงปู่ท่านก็ชอบใช่ไหมหลวงปู่ชอบท่านชอบใจไว้มันเป็นดอกเป็นดวงฮะแต่ออกไปนองกลางกลางแจ้ในต่างหานะเขาขนเล็ดเขียนรถขึ้นไปตอนนี้พองานจุดท้ายของท่านนะโอ้หลวงปู่ของเราเนี่ยจุตินิรานไปสู่สวรรค์ชั้นพลมแล้วนี่ยพวกเราน่าจะบูชาพระคุณหลวงปู่ก็ละเอ้าหลวงปู่ชอบไง ท่านชอบอย่างนี้ท่านชอบดูดอกดวงดอกไม้ก็มีเจ้าภาพสองรายการทั้งเชียงใหม่ด้วยทั้งสมุทรปราการด้วยมาจุดแข่งกันคนสองกลุ่มกลุ่มละแสนลงทุนกลุ่มละแสนกว่าบาทนี่แหละพวกเราเห็นกันเลยอลังการไปอีกแบบนึ่งเขาเป็นนี่เป็นศีลินไหมที่เขาทำเขาเจตนายอย่างไรเขาจึงทำเราก็คิดว่าพวกที่เจตจิตว่าหน่าเเจได้เงิน ไปจูดทิ้งเปล่าๆเงินตั้งแสนเอาให้เป็นค่าเด็กนักเรียนก่อเรียนตั้งหลายคนทำไหมงโง่นักไอ้พวกที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายมีถึงปวให้คนอื่นโง่แต่ตัวเองไม่ไม่กล้าออกมาแสดงอะไรนะ เ, เงิน5้าบาท10บาทเก็บไว้ให้ดีจนยางยางปีมันติดวั่งนั่นแหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าเราต้องได้คิดหลายแงย่หลายมุมเหมือนกัน เราคิดในปุนวาดสนาบา ร, รมีของครูบาอาจารย์ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเราห้ามกันไม่ได้ออกมาจากจิตใจแต่ละคนเขามีศรัทธาอะไรเขาทําอย่างนั้นแต่บางคนไปพูดให้เขาฟังไปพูดให้เขาอะไรเยี่ยงหัวหดอีกพาไปพูดให้ฟังเขายิ่ยงดูโถกอี ก, เ, อกเพราะเวลาเขาไม่มีศรัทธานี่นนแหละสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยต้องดูนะ ต้องพยายามดูมุมมุมกว้างนะอย่าให้มันทุกข์ใจตัวเอง เ, อเราต้องมองแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เกินไปอใช่เกินไปถ้าเป็นหลอย่างเราเราจะไม่ทำอันนี้เราก็บอกในใจของเราแต่จะไงแต่ถึงยังไงเขาทำไปแล้วเรื่องของเขาจะทำยังไงมันเรื่องของเขาที่เขาทาด้วยศรัทธาของเขานะแต่ในครั้งพระพุทธเจ้ามีไหมเรื่องอย่างนี้มีสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าของเราจะเด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะพญาปัจเสนคือ ม, มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งอย่างพระเจ้ากุกุชันโธ โ, โกคนคามโนกัจโโพโคตโมนะโคต โ, นะ โ, โมคือพระโคตะมะพระพุทธเจ้าของเราพระศรีอริยะเมตโยนะองค์หน้านะจะต้องมีครั้งหนึ่ง เ, เรียกว่าอาทิสถานนะอาทิตสถาน คือมีครั้งหนึ่งในพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมหาชนกับพระเจ้าแผ่นดินทําบุญแข่งกันฮะอแต่บางคนยุคนี้คนขี้เหนียวก็เฮ้ยทาบุญแข่งกันไม่ได้บุญหรอกฮะไม่ได้บุญได้ยังไงทําคุณงามความดีใช่ไหมถ้าพวกเราแข่งกันหาเงินหน่อสิได้เงินไหมเฮ้ยแข่งกันหาเงินไม่ได้เงินหรอกเฮ้อย่างนั้นเหรออันนั้นแสดงว่าตัวเองโง่ขี้เกียจทาเงินนละ แ้วเพืเผือก็จนตลอดไปอีกต่างหากเถ้าเขามีเงินแล้วก็แข่งกันหาเงินเออก็ได้เงินแข่งกันทําคุณงามความดีแข่งกันสร้างบุญมันก็ต้องได้บุญถ้าแข่งกันทําความชั่วแล้วบบบนี้เออมึงขายยาบ้าเนี่ยเออขายยาบ้านี่กูจะไปจ้างไปฆ่าคนกูจะไปป้อนคนอื่นเออแข่งกันทําความชั่วด้เออใครจะติดคุกลึกมากกว่ากันอีก การแข่งทำความชั่วก็ต้องได้รับความชั่วแข่งการทำความดีก็ต้องได้รับความดีแข่งการทำงานหาเงินก็ต้องได้เงินแข่งการทำบุญก็ต้องได้บุญมันจะเป็นอะไรไปอันนี้สมัยแข่งกันสมัยพระเจ้าปัสเสรก็เลยแข่งทำบุญประชาชนประกาศเออเอาพวกเราจะทำบุญให้ยิ่งใหญ่เขาก็ทำบุญยิ่งใหญ่พอวันโลกเคลืนพระเจ้าปัเสียนเอา อาทิตย์หน้านะผมจะทําทําให้ยิ่งใหญ่กว่าประชาชนประชาชนไปเห็นหูพระราชายิ่งใหญ่กว่าเรานะปรชชาชอาทิตย์หน้านะผมจะทําให้ยิ่งใหญ่ทำให้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชานะแข่งกันไปแข่งกันมา อ, อหลายตลบใครไม่สู้ไม่มีใครแพ้ใครแต่ว่าพังสุดท้ายนะประชาชนก็เอาให้ครบทุกอย่างบ้านนี่ คำว่าไม่มีอย่าได้มีในงานทำบุญของพวกเราให้พร้อมทุกอย่างเอาให้เฟอร์เฟคเลิศเลอที่สดุดประชาชนเขาก็ทำเลยทำพระเจ้าปเัเสนไปเห็นนลตายเอามือกายหน้าผากนยอมแพ้แล้วยอมแพ้ประชาชนมันเขามันเอาจริงๆคราวนี้ทางนางนางนลิกาอัครมเหสีของพระเจ้าปเัเสนเป็นคนมีปัญญาเลย พระ อ, องคิดอะไรอคงจะสู้ประชาชนไม่ได้ประชาชนเขาเอาเลือดล้ำเราเหลือเกินนางมริกาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเออเราจะไปแพ้ประชาชนได้ยังไงแน่ประชาชนเขาไม่มีช้างพวกเราเอาช้างออกมาทิเออเวลาแล้วก็ตั้งบันลังขึ้นมาในมณฑลพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ห0 0รอคือเลี้ยงพระทีละห้าร้อยห้ารอยนะอืม ตั้งบัลลังก์เป็นอาสนะ500จุด500ที่เรียงกันในสนามแบบสนามหลวงอย่างนั้นแหละนั่งเรียงกัน500จะได้กับช้างก็ถือสเววสเวตคือถือร่มใหญ่ปกระทนใหญ่ถือร่มใหญ่อยู่ข้างหลังของพระแต่ละองคอ์นั่งจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ให้พรแล้วก็นีแ่แหละฉันพัฒหารใน รรมาหรือว่าอาะของตนเองก็ช้างก็เป็นผู้กั้นล่มให้ดูจะอลังการขนาดไหนไประชาชนก็ไม่ทำไม่ได้หรอกเขาไม่มีช้างพระราชาเออมีกำลังกำลังใจขึ้นม า, นา่ก็เลยจัดยิ่งใหญ่ให้ครบมดทุกอย่าง ก, ก็มีช้างออกมาอีกท่นี่ก็ถือสเสวตชัดแต่ช้างในเมืองเขานั้นได้ช้างอยู่ 499ตัวเนี่ยเออสอยเาชือกยังเหลืออยู่ยังขาดอยู่เชือกนึงแเออหาไม่ได้แต่ว่าองค์สุดท้ายก็คือพระองค์กุมาณโจรที่เป็นโจรฆ่าคนนะนะท่านบวชได้สำเร็จเป็นพระหรหันนั่นแหละท่านนั่งองค์สุดท้ายทนี่ยเอออย่างนั้นก็พระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเอา้าไม่มีเลอช้างตัวที่500มันกมขาดไป น, นี่น มันขาดแต่มียุช้างตัวหนึ่งแต่มันอยูนขังไว้ช้างตัวนี้ดุร้ายมากเหมือนกเราจะปล่อยออกมามันก็เสี่ยงนะมันถ้าออกมาทำมันทำงานให้ดีก็ดีถ้าไม่ทํางานไม่ดีวงแตกแน่ๆเราช้างตัวนี้พอเป็นช้างสงครามเวลาเกิดศึกสงครามกูมาลเลยกันน่ยปล่อยช้างตัวเกเรตัวนี้แหละเอาเล่าให้มันกินสักหน่อยเลยก็เอาตะพธใส่มือให้มันแล้วก็ ปล่อยเข้าไปในฝูงช้างฆ่าศึกน่ยมันตะตะพัดตะเพื่อเรางั้งนเลยแปลว่าช้างเกเรแต่มันกําลังดีมันแก็งอีกตั้งหากแต่นี่เราจะเอามาใช้งานอย่างนี้มันคงไม่ได้บ้างหน่อยทางขุนพลทั้งหลายเอาเสียงมันอยู่ขาดอย่งองค์หนึ่งจะทํำยังไงเนี่ยเสียงอแต่นั้นก็เลยไปเบิกช้างตอนนั้นออกมาช้างออกมาแล้วก็มาเดินดุ่มดุมโอ้คนทั้งหลาย จับตามองช้างตัวนั้นงนั้นลพอมากโ็โหจับสเสว็ดชัดจับล่มสวยงามมากทนี้ย่งยิ่งกว่าช้างตัวอื่นอืไม่กระดุกกระดิกอีกต่างหากคนทั้งหลายก็มองโอ้โหช้างตัวนี้ทำไมทำได้สวยได้ดีมากกั้นร่มให้พระองคุริมานนะจากนั้นก็เมื่อพระองค์ฉันเสร็จนะพอฉันเสร็จคนทั้งหลายก็มอง แปลว่ า, เ, าเลิศเลอเฟอร์เฟกอลังการไม่มีครั้งไหนยิ่งกว่าฮตอนนี้พอพระพุทธองค์ฉันพัตนารเสร็จแล้วพระองค์เดินเดินลงจากอาสนะเลยพอฉันเสร็จแล้วไม่อัลโมทนาไม่ให้พรไม่พูดอะไรเดินลงออกจากอาสนะพระสงฆ์ทศรเห็นพระพุทธองค์ขยับออกจากอาสนะพระสงฆ์ก็เดินตาม เ, าเดินตาม ประชาชนทั้งหลายก็แปลกใจแต่ไม่คิดไม่มีใครกล้าถามพระพุทธเจา้าเอาพระพุทธเจ้าลืมให้พรกับผมมันจะไหวงั้นได้เหรอเนีเพราะพระพุทธเจ้าเป็นมหาจติมหาปัญญาท่านไม่หลงไม่ลืมอยู่แล้วใช่ไหมเนีท่านที่ท่านไม่ให้พรต้องมีเรื่องราวเนะี่ยถ้าพรยาประเสียนก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะท่านเป็นเจ้าภุ้มเทยอย่างสุดๆแล้วนะแต่นี่ก็พอไปถึงวัดป่าเชตะวันมหาพิหารพระทั้งหลายที่เป็นผูุ้ชนอยู่ก็ยังมีเลย ท่านองค์ุริมาณท่านไม่กลัวเหร อ, เ, อเขาว่าช้างตัว น, นั้นดุมากนะเป็นช้างเกเรนะที่กั้นล้มให้ท่านพระองคุริมาณท่านบอกว่าในใจของผมเนี่ยกลัวก็ไม่มีกล้าก็ไม่มีผมหมดความกลั ว, ล ะ, ว ล, ละความกล้าแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าพูดอย่างนี้นกับท่านเป็นพระรหันต์เนี่ว่าถ้าไม่มีความกลัวความกล้าก็คือพระรหันต์เท่านั้นนะไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยตอนนี้นก็พระก็เลยไ ป, ปฟ้องพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์บอกชายบุตรของเราเป็นพระาราหันแล้วองค์กุลิมานไม่มีความกลัวไม่มีความกล้าเพราะนั้นท่านจึงไม่สถทะท่านแต่ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนะนั่นแหละจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายจึงรู้ว่า อ, องค์กุลิมานเป็นพระหรหันพระเถระองค์หนึ่งสําเร็จเป็นพระาราหันแล้วนะแต่นี้พอตกตอนบ่ายพญาปรเสียงก็น้อยใจทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พร เดินออกมามีเหตุอนันใดนอะที่ข้าพรเจ้าีิทำผิดหรือทำไม่ถูกเออเป็นที่ขัดเครืองพระไทยของพระพุทธองค์หรือเปล่าทำไมพระองค์จึงไม่อนุมโมทนาไม่ให้พรไม่แสดงธรรมไม่พูดอะไรเลยเดินออกมาเฉยๆพระเจ้าประเสียนกับค่ายๆาตุบๆ ต, บตอมๆนะเป็นทุกข์แต่ก็อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรความผิดของพระองค์หรือความผิดของใคร ตอนนีพระเจ้าปเสนก็มากราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตะวันตอนบ่ายนะพระพุทธเจ้าขาข้าพระองค์และทางพุทธบริษัททั้งหลายก็มีความสงสัยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงไม่อนุโมทนาให้พรหรือว่าข้าพระองค์มีความผิดอันไหนหนอพระเจ้าขามีความบกพร่องที่ตรงไหนหนอพระเจ้าขาดข้าพระองค์อยากจะทราบที่พระพุทธองค์ไม่อนุโมทนาไม่ให้พรในวันนี้ พระพุทธเจ้าท่านน่งท่านว่ามีเหตุคือพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ, อ, อามาตย์ของมหา婆พิษนะ่ะอามาตย์ใหญ่ขุนพลใหญ่มีอยู่สองขุนพลใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นแหละขุนพลใหญ่ท่านหนึ่งนะ่ะในสองคนนะ่ะคนหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งไม่มีศรัทธาคนที่มีศรัทธานะบอกว่าก็โห o พระเจ้าประเศสที่โกศลนี่ยนะทำเป็นที่ยอมรับในใจของเรามากแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างเราเนี่ยเราจะทำให้เหนือกว่าพระเจ้าประเศสเดียวนี้อีกเพราะว่าพร้อมหมดทุกอย่าง เ, เพราะว่ามีทรัพย์สมบัติทุกอย่างแล้วก็กที่ไหนได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็มีครั้งเดียวเท่านี้นะในชีวิต เกิดมากี่พบกี่ชาติจึงจะได้เจอพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกแล้วเราก็ได้เป็นมีสมบัติอีกต่างหากถ้าเป็นอย่างเราเราจะต้องทําให้เหนือกว่านี้อีกอ่าอามาตย์คนหนึ่งเขาอันนี้คือศรัทธาใช่ไหมล่ะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีศรัทธานี่โอ้โหทําไมพระยาอเปรเซนจึงเอาเงินคงคัง ถึงจะไม่ใช่เงินหลวงก็เถอะจะไม่ใช่เงินคงค้างก็เถอะเป็นเงินส่วนพระองค์ก็เถอะส่วนทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ก็เถอะต่เอามาถลุงเล่นอย่างนี้เอามาใช้จ่ายเลี้ยงสั ม, มณาหัวโล้นอนอยู่ในป่ามันได้เกิดประโยชน์อะไรงโง่นักปัญญาประเสริฐเนี่ยทั้งที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปเลี้ยงพี่น้องประชาชนไปเลี้ยงคนยากจนในประเทศจึงจะเกิดประโยชน์กว่าอันนี้เอามาถลุงเล่นเออเอามาจ่ายใช้จ่ายเล่นทําไมงโง่นัก ปยาปเสนเนี่เ อ, อเราเกิดมาทั้งทีไม่เคยเห็นคนโง่ถึงขนาดนี้คนที่มีศรัทธาต้องคิดอย่างนั้นแต่นี้พวกพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านรู้ใครคิดนึกคิดเรื่องอะไรท่านเห็นว่าโอ้ท่านเราแสดงธรรมเออมหาบาพิษพุทธบริษัททั้งหลายพวกท่านทั้งหลายได้ทำบุญ ในวันนี้เป็นอ น, นิสงส์ติดภพติดชาติต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านเกิดภพใรชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากในอนิสงการทําบุญทําทา น, นถ้าพระพุทธองค์แสดงธรรมหรือเทศให้ฟังเลยอมมาตคนนั้นยิ่งคิดปาอ ม, มาศอย่างแรงอีกศีรษะของเขาเน่ยจะแตกเป็นเจ็ดภาคในต่อหน้าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเห็นความสงสารเเห็นความอินดูอมมาตคนนั้นเฮ่ออมมาตใหญ่คนนั้นะ เราจรึงไม่แสดงธรรมในวันนี้เราเลยออกมาถ้าเราแสดงธรรมเขาประมาทยิ่งประมาทตาตักวันนี้เขาคงจะเป็นเส้นเลือดแตกในสมองเพราะมันโกรธไม่พอใจใช่ไหมละ่ะอันนี้ท่านสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเราศีรษะแตกเป็นเจ็ดภาคฮะพคกไม่แสดงธรรมผมจบแล้วก็อพยาบาทเสียงอืมไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะคิดอย่างนั้นมันเป็นสมบัติของเราเนี่นะ จากนั้นพระเจ้าประเสียนกลับไปเวียงวางก็เรียกประชุมเจ้าขุนทั้งหลายขุนพลทั้งหลายก็มามัดหมดทุกคนเลยจ้ะเนี่ยมาเอาเออเนี่ยท่านคิดยังไงเนท่านคิดยังไงในในเมื่อเราทําบุญในคราวนี้ครั้งนี้ใครคิดยังไงแล้วก็ถามขุนพลที่มีศรัทธาขุนพลที่มีศรัทธาแล้วก็บอกว่าท่านคิดอย่างนี้อย่างนี้เผมคิดอย่างนี้เนี่เออเอา แล้วก็ถามขุนพลที่นั่นพูดตามจริงนะอพูดตามจริงนะอท่านไม่มีศรัทธาเห็นว่าการทํากรนี้แปลว่าท่านไม่เห็นด้วยใช่ไหมขุนพลแลก็อธิบายให้ฟังเลยเอตามความคิดเห็นของตนเองมันปิดไม่ได้พนะระเจ้าประรทรัพย์สมบัติมันไม่ใช่ของแก่นะเอเราก็เลี้ยงเงินเดือนเราก็ให้ เ, เราก็ให้อรางวัล เป็นคลังคราวาบ้านสวยตำบลอะไรแล้วก็ให้ท่านมาตลอดแต่ท่านไม่น่าจะมาคิด อ, อย่างนี้กับเรามันเป็นสมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของท่านอา้อาวแสดงว่าขืนทํางานดูด้วยกันต่อไปภายภาคหนา้าต้องมีเรื่องแน่อา้าวสั่งปลดก็เลยสั่งปลดขุนผลเนรเทศออกนอกประเทศอีกต่างหาก เ, าเพราะว่า ค่าขืนอยู่ต่อไปคงจะเป็นอริสตรูในความคิดของเราก็เลยตั้งขุนพลที่มีศรัท ธ, ธาใขึ้นเป็นขุนพลใหญ่ดูแลกิจการดูแลประเทศชาติต่อไปนี่แหละในครั้งพุทธกาศมีไหมคนที่มีศรัท ธ, ธาและคนไม่มีศรัท ธ, ธาคนมีศรัท ธ, ธาเขาคิดอย่างไรคนไม่มีศรัท ธ, ธาเขาคิดอย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะที่นั่งอยู่ที่นี่นะลูกหลานทุกคนนะ ให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอบทุกอย่างโลกใบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละเราจะไปเชื่อยอย่างเดียวซื่อบื้ออย่างเดียวกระโดดโลดเต้นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องกรานกรองไต่ตรองเหตุและผลทุกอย่างมีเหตุมีผลในตัวของมันเสร็จนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้ก็ได้พูดแนวความคิดมากหลากหลายให้พวกเราทุกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะ วันนี้เป็นวันพระคืน15บ้ค่ำเดือนสี่เป็นวันพระใหญ่พนัญลวงพ่อได้กล่าวสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อการศึกษานะก็เลยพูดยาวไปสักหน่อยทำให้ครูบาทั้งหลายคงจะหิวอาหารพอสมควรอดเอาซะก่อนนะวันที่15คห้าำเดือนสี่ปี57มีวันเดียวตรงนี้ล่ะ ต่อไปเขาคงจะเป็นปี58นะกพระเด่นทุกหลานต่อไปรับพรได้เต็นะอนุโมทนาให้พร